่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเพื่อนรักตอนที่หนึ่งจิตตะสัมภูตะชาดกโดยสมณะซาบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่25มกราคม2539ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นับบัด น, นี้ค่ะ วันนี้เรามาฟังเรื่องจิตตะสัมภูตะชาดกนะชื่อจิตตะแล้วก็ชื่อสัมภูตะชาดกคือเป็นชื่อสองชื่อเขาเอามาชนกั น, นเดี๋ยวเดี๋ยวฟังภายในเนื้อเรื่องเราก็จะรู้ว่าว่าอ๋อทำไมถึงชื่อจิตตะสัมภูตะชาดกอาตรมาตั้งชื่อภาษาไทยเองว่าเพื่อนรัก นานๆจะได้มีโอกาสตั้งชื่อเรื่องอย่างนี้สักทีเอาลองฟังดูพระศาสดาเมื่อเสด็จประทับอยู่ณนะพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารภถึงภิกษุสองรูปซึ่งอยู่ร่วมรักกันสนิทเป็นสัตทิงวิหาริกของท่านพระมหากัสปะค ง, งเข้าใจนะสัตธิวิหาริกนั่นเอง นะสัทิง อ, นนอันนี้เขาอันนี้เาเขียนว่าสัตทิงวิหาริกคืออะไรเออคือลูกศิษย์คือเริ่มเรื่องเนี่ยพระเจ้าท่านก็กล่าวถึงภิกษุสองรูปซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพมหากัสปะภิกษุสองรูปนั้นใช้สอยส ม, มณะบริขารร่วมกันมีความคุ้ น, คนเคยสนิท สนิทกันอย่างยิ่งแม้เมื่อเที่ยวบินธบาตก็ไปร่วมกันไม่สามารถที่จะพลากจากกันได้ภิกษุทั้งหลายนั่งสารเสริญความคุ้นเคยกันของภิกษุทั้งสองนั้นแหละในธรรมสภาฟังแล้วรู้สึกแปลกแปลกบ้างไหมเนี่ยฟังแล้วมีความรู้สึกแปลกปลกบ้างนะเท่าที่อ่านมาหน่อยหนึ่งตรงเนี้ย กส็สนิทสนมเนี่ยแหละแบบเพื่อนเนี่ยแหละเพื่อนซีอ่ะนะแต่นี้เป็นเป็นภิกษุนะเป็นพระนะเนี่ยดูซิจะใช้อะไรต่ออะไรก็ใช้ด้วยกันแบ่งกันใช้จะไปบินธบาตก็เอาไปด้วยกันอันนี้สัมนวนเขาบอกม่ไม่สามารถที่จะพลากจากกันได้รู้สึกแหม่จะใช้สัมนวนไม่รู้ว่าเวอร์เกินไปหรือเปล่าแต่ <c oughs> คิดว่าเขาคงพยายามเน้นให้เห็นว่าสนิทกันมากเลย2คนนี้ พิกษุสองรูปนี้นะคือเขาจะเน้นที่ตรงนี้แต่ในความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกยังไงจริงๆไม่ต้องเอาถึงพิสูอะนะเอาแค่คารวาสอ่าถ้าสนิทแค่มากๆก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเกินไปแล้วมั้งใช่ไหมอ่านั่นเป็นความรู้สึกของเราใช่ไหมแต่ในนี้ฟังดูสิในนี้พิกษุทั้งหลายนะกลับมานั่งสรรเสริญ ความคุ้นเคยกันของพี่สูตรสองรูปนี้เนะี่ยแหละในธรรมาาสภากับคิดตรงกันข้ามเลยกับแทนที่จะรู้สึกว่าเอ๊ะนี่มันจะเวอร์เกินไปมัง่งสนิทเกินเกินไปมัง่งเดี๋ยวจะยิ่งถ้ายิ่งเป็นยุคนี้เขาจะกลัวอะไรเนี่ยยิ่งยิงท่าพระสนิทเกินมากเกินไปอย่างนี้<ส>อ่าเขากลัวเดี๋ยวจะเป็นตุด๊ดจะเป็นอะไรกันไปหรือเปล่าเนี่ยเอาใช่ไม้มถ้าเป็นถ้าเป็นยุคนี้นะแต่แต่ตรงข้ามในเรื่องนี้นี่ พิชูทั้งหลายกับสารเสวนมาโอ้สอคนนี้สนิทกันดีจังเลยนะไปบิณฑบาตก็ไปด้วยกันจะไปทํางานอะไรต่ออะไรก็ไปช่วยกันนะแม้แต่ใช้บริการอะไรก็แบ่งกันใช้อะไรเงี้ยกับสารเสริญแทนที่จะรู้สึกระแวงหรือแทนที่จะรู้สึกว่าถ้ า, า จ, จะไม่ค่อยดีหรือมั่งเนี่ยหรือว่าแทนที่จะไปตีใช่ไหมหรือแทนที่จะไปว่า บอกว่านี่ไม่ได้ไม่ได้ไไดจับแยกออกจากกันถ้าเป็นพวกเราเนี่ยชำนาญ น, นะไงเห็นใครอย่างนี้หน่อยเดียวก็เอาแล้วเตรียมจับแยกทันทีเลยน<ส>แต่นี่ตรงข้ามเลย<ส>ของภิกษุนี่ท่านกับกับสรารเสริญกับยกย่องมาเออสองคนนี้เขาสนิทกันดี <C oughs> พอดีพอภิกษุกําลังคุยกันใช่ไหมพระศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัดนี้พวกเธอประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรเมื่อภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายการที่ภิกษุ2รูปนี้เป็นผู้คุ้นเคยกันในในอัตภาพนี้ก็หมายถึงว่าในชาตินี้อัตภาพนี้ก็คือตัวตนร่างกายนี้เพราะนตัวตนร่างกายนี้ก็หมายถึงว่าในชาตินี้นะการที่ภิกษุทั้งสองรูปนี้ คุณเคยกันสนิทกันในชาตินี้ไม่น่าอัศจรรย์เลยก็โบราณบัณดิต ท, ทั้งหลายแม้แม้ถึงจะท่องเที่ยวไประหว่าง 3-4 พบคําคำว่า 3-4 พบหมายความว่า 3-4 ชาตินะสามชาติหรือว่า4ชาติเนี่ยก็ไม่ละทิ้งความสนิทสนมกันฐานมิตรสนิทเลยแล้วทรงนำอดีตนิทานมาแสดงดังต่อไปนี้ คือผูเจ้าท่านก็พูดทับลงไปเลยนะว่าโถเอ้ยพิ ส, สูสอรูปนี้สนิทกันชาตินี้นี่ท่านบอกว่าไม่อัศจรรย์อะไรหรอกธรรมดาเห็นแล้วไม่น่าแปลกอะไรแต่ท่านก็บอกว่าโอ้โหแต่ก่อนเนี่ยมีมาแล้วสนิทกันเนี่ยสามสีชาติเนี่ยสนิทกันไปเรื่อยเลยนะแล้วท่านก็ยกเรื่องนี่แหละจิตตะสัำพูตะชาตกขึ้นมาแล่าว่าในอดีตการ พระเจ้าอาวันตีมหาราชเออคอยจะยินชื่อแปลกเลยนะพระเจ้าอาวันตีมหาราชเสว ร, ราชสมบัติในกรุงอุชเชนีแคว้นอวันตี <c oughs> ในการนั้นด้านนอกกรุงอุจเชนีมีหมู่บ้านของคนจันทานตําบลหนึ่งในหมู่บ้านนั้นมีกุมารคนหนึ่งเกิดขึ้นชื่อจิตตกุมาร อาแล้นะนี่นะชื่อจิตตากุมารส่วนอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นบุตรของน้าสาวชื่อว่าสัมภูตากุมานนี่เองชื่อเรื่องนี้มาจากจิตตกุมารกับสัมภูตากุมาร น, นะมารวมเป็นจิตตสัมภูตชาดกกุมานแม้ทั้งสองครั้นเจริญวัยแล้วเรียนศินละปะศาสตร์ชื่อว่าจันทานวังสะโทวนะ อาตมาก็พยายามจะไปเปิดดูนะว่าว่าเกี่ยวกับอะไรหรือว่ า, ามีเนื้อหายังไงคำว่าจันทานวังสะโทวนเนี่ยแต่หาไม่เจอนะก็เลยคิดว่าก็คงเป็นอะไรอะ่ะวิชาอะไรวิชาหนึ่งเนี่ยที่ที่จิตตากุมานกับสัมภูตากุมานเนี่ยไปเรียนรู้มา นะแล้วก็มีความรู้ในในเรื่องนี้เกี่ยวกับวิชานี้ก็เลยวันหนึ่งชักชวนกันว่าเราทั้งสองจะแสดงศิลปะศาสตร์นี้ที่ใกล้ประตูพระนครอุเฉนีโดยคนหนึ่งจะแสดงศิลปะนี้ที่ประตูด้านทิศเหนือส่วนอีกคนหนึ่งจะแสดงศิลปะนี้ที่ประตูด้านทิศใต้คือสองคนนี้ตกลงกันนะว่าอ่าเดี๋ยว เธอไปแสดงที่ที่เหนือนะฉันจะไปแสดงที่ทิศใต้ ท, ทั้งสองคนนี้นี่เกิดในตระกูลจันทานนะซึ่งเราเองเรารู้อยู่แล้วนะว่าตระกูลจันทานนี่คือคนที่ต่างวันนะกันเะนี่ยนะเสร็จแล้วก็มาแต่งงานกันนะของอินเดียเขาเนี่ยเขาเขายึดเายึดมากเลยเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอต่างวั น, นามาแต่งงานกันเนี่ยเขาถือว่าพวกจันทานเขาไม่ยอมรับเขาถือว่ากลายเป็นพวก เหมือนกับไม่มีวันนะเลยวันนะจริงๆเขามีเท่าไหร่สี่วันนะคืออาักษารศาสตร์พราหมณ์แพทย์สูตรูตรนี่คือพวกไหนฮะสู ต, <า>สตก็คือพวกกรลังกรนั่นเองนะพวกรับจ้างพวกอะไรต่างๆพวกแรงงานชั้นต่ำพวกอย่างไงนะส่วน จันทานเนี่ยไม่อยู่ในวันณะสีเลยคือเขาไม่ถือว่าเป็นพวกมีชั้นมีวันณะอะไรเลยนะคือเป็นพวกที่เขาถือว่าอะไรอ่ะ untouchable นะคือคือบุคคลต้องห้ามเลยคือลังเกียดมากไม่ไม่อยากร่วมอะไรอ่ะเห็นด้วยร่วมกินข้าวด้วยหรือว่าเขาถือว่าไม่มีชั้นเลยเข้าใจไหมกลายเป็นกลายเป็น กลายเป็นบุคคลที่เข้ากับชั้นไหนเขาไม่ได้เลยไม่แต่ชั้นเดียวแต่อย่างอย่างของเราเนี่ยบางทีทุกวันนี้เราแบ่งว่าเชื้อชาติอะไรใช่ไมแล้วก็สัญชาติอะไรใช่เรายังมีให้อย่างนี้แต่ของเขานี่เขาไม่เลยอาเสร็จแล้วตอนนี้จันท า, น ท, านทั้งสองคนเนี่ยนะทั้งกิตตะกับสัมภูตะก็เลยไปแสดงเนี่ยวิชาจันทานวังสะโทวนณะนี่ ตอนนี้พอกาลังแสดงอยู่เนี่ยก็ในพระนครนั้นได้มีนางนางทิฐมังคริกาสองคนคําว่าทิฐมังคริกาเนี่ยทิฐิก็มาจากทิฐินั่นเองนะนะส่วนมังคริกามังคหรีเนี่ยก็มาจากมงคล น, นะกานี่ก็หมายถึงผู้หญิงนั่นเองนะถ้ากะก็แบบผู้ชายอะไรอย่างนี้วันเราลองเดาๆเนี่ยเราพอจะเดาได้นะว่าทิฏ ทิฏฐีกับมงคลนี่หมายถึงพวกที่พวกที่แบบว่ายึดว่าจะเป็นมงคลถ้าได้เห็นอะไรที่มันดีๆเห็นเห็นอะไรมงคลนี่ก็คือดีอยู่แล้วนะเห็นอะไรที่ดีๆเนี่ยแหมเป็นมงคลเพราะในนีเน้เขาใช้คำว่าว่ามีนางทิฏฐมังคอิกาสองคนเนี่ยก็หมายถึงว่ามีผู้หญิงอยู่สองคนผู้หญิงสองคนนี้เป็นประเภท พวกหัวหัวอะไรไม่ใช่หัวก้าวหน้านะหัวคิดที่ชอบต้องเห็นอะไรดีๆเนี่ยแล้วถึงจะถือว่าเป็นมงคลถ้าเห็นอะไรที่ที่ถือว่าไม่เป็นมงคลแล้วเนี่ยถือว่าโหแย่มากเร็วลายมากนะวันนางสองคนเนี่ยคนหนึ่งเป็นที่ดาของท่านเศรษฐีอีกคนหนึ่งเป็นที่ดาของท่านปุโรหิตนางทั้งสองได้ให้บริวารชน นั่นก็คือพวกอะไรอ่ะพวกลูกน้องนั่นแหละถือเอาของขบเคี้ยวและของบริโภคทั้งระเบียบดอกไม้และของหอมเป็นต้นเป็นจํานวนมากนะนำไปด้วยคิดว่าจะไปเล่นสนุกสนานในอุทยานคืออุทยานเนี่ยมันต้องเดินทางผ่านออกไปนอกเมืองเพราะฉะนั้นพอสองคนนี้กำลังจะเดินทางไปเที่ยวที่อุทยานใช่ไหมก็เลย ต้องผ่านประตูเมืองทิดาเศรษฐีนางก็ออกไปทางประตูด้านทิศเหนือส่วนทิดาปุโรหิตเนี่ยออกเดินทางผ่านไปทางด้าน ท, ทางประตูทิศใต้นางทั้งสองนั้นต่างก็ได้เห็นบุตรของคนจันทานแสดงศิลปะอยู่จึงถามผู้คนว่าคนเหล่านี้เป็นใครกันแต่พอได้ฟังว่าเป็นบุตรของคนจันทาน จึงคิดว่าเราได้เห็นบุคคลที่ไม่สมควรจะเห็นเสียแล้วหนอจึงรังเกียจแล้วเอาน้ำหอมมาล้างตาพากันกลับไปแม่ก็เหลือเกินจริงๆเอาเค้าเกียดจริงๆจำได้ไหมที่เคยเล่าเรื่องวิวภูสภพ ท, ที่บอกว่าโอ้โหพอมานั่งกินเสร็จพอเิาไลูกจันทานเนี่ยพอไปแล้วเนี่ยโอ้โห กษัตริย์เมือง น, นั้นนี่บอกให้คนเอานมนมมาล้างแผ่นดินตรงไหนที่พีภูสภานนี่นั่งอยู่เนี่ยให้ล้างให้หมดเลยถือว่าล้างซวยถือว่าล้างเสียดทิ้งไปเลยนะเพราะเหมือนกันเนี่ยเขาก็ยึดอย่างเงี้ยนะเอ่อทั้งลูกเศรษฐีกับลูกบุโรหิตเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันว่าโอ้โหซวยละทีตอนแรกก็ไม่ไม่นึกอะไรใช่ไหยพอมาดูคนเล่นเสร็จแล้วก็เลยนึกขึ้นมา เนี่ยเรื่องชนชั้นนี่ของเขารุนแรงมากนะความความรังเกียจคนจันทา น, นี่รุนแงรง้ายกาศฉะนั้นผู้คนที่ตามไปนะกลับกับนางทั้งสองคนนี้ก็ก็ก็พากันกลับไปหมดใช่ไหมพวกลูกน้องที่แบกของขบเคี้ยวแบกของกินของอะไรต่ออะไรมาก็เลยต้องตามเข้ารวยนีย่สองคนนี้ก็เลยตามกลับไปทีนี้ผู้คน ที่ตามไปด้วยพากันโกรธหมายถึงพวกที่ตามเศรษฐีลูกเศรษฐีทั้งสองคนเนี้ยไปเนี่ยก็เลยโกรธคนจันทานทั้งสองคนนี้เพราะอะไรโกรธเพราะอะไรก็เขาก็กลังจะไปอุทยานไปกินไปสนุกไปเที่ยวเล่นอะไรกันใช่ไหมตอนนี้สองคนนี้กลับซะแล้วอะ่ะก็เลยโกรธนะกล่าวว่าเฮ้ยไอคนจันทานชาติชั่วก็เพราะว่าเจ้าเป็นเหตุพวกเราจึงไม่ได้สนุกสนาม ดื่มสุราและกลับแก้มที่ไม่ต้องซื้อหา <c oughs> คือพวกนี้พวกนิยมกินฟรีนะตามพวกเจ้านายไปไงใช่ไหมแล้วได้ได้กินฟรีเพราะฉะนั้นก็เลยยัว่วยั่วที่อดกิน่นะกำลังจะไปอุทยานกินกันอย่างเงี้ยพอยั่วเสร็จก็เลยพากันโบยตีคนจันทานทั้งสองนะคือคือคือคนละประตูนะ แต่อันนี้รวบรละตัดความคืออ่านแล้วมันเป็นทำนองเดียวกันไงก็เลยบอกว่าประตูทางเหนือเนี่ยจิตตากุมานใช่ไหก็โดนอัดทางใต้นี่สัมภูตากุมานก็โดนอัดนะต่างคนก็ต่างโดนอัดอกันทั้งคู่เลยทำลายเนี่ยคนจันทานจนกระทั่งบอบช้ำสลบสไลสลบเลยนะโดนจ้ะต่อเมื่อต่างค น, นได้สติฟื้นขึ้นมาจึงลุกขึ้นเดินไปยัง ไปยังสำนักของตนแล้วได้ไปพบกันณนะสถานที่แห่งหนึ่งคือก็โคจรมาเจอกันนะงานกะจนทานทั้งจิตตะกับสัมภูตะเนี่ยก็มาเจอกันจึงบอกเล่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นสู่กันฟังต่างร้องไห้คล่ำครวญสุดท้ายก็ปรึกษากันว่าเราทั้งสองจะทำอย่างไรกันดีเพราะอาศัยชาติกำเนิดเป็นจันทาน ความทุกนี้จึงเกิดแก่เราทั้งสองพวกเราไม่สามารถจะกระทำงานดีๆใดไ ด, ได้เลยหรือเห็นทีเราทั้งสองจะต้องปกปิดชาติกำเนิดแล้วปลอมแปลงเพศเป็นชาติพรามมุ่งไปสู่เมืองตักกศิลาเล่าเรียนศิลปะวิทยากันเถิดหรือสองคนนี้ก็เห็นโทษภัยว่าโอ้โหมีชาติเป็น เป็นจันทานเนี่ยเกิดมาเป็นลูกจันทานเพราะนั้นก็บอกโอ้โหจะทำอะไรก็ไม่ได้เลยคือเขต้องอยู่กับพวกจันทานเท่านั้นไปอยู่กับพวกอื่นอะไรใครเขาจะไปทางานกับคนอื่นเขาไม่ได้ทั้งสิ้นเขาไม่ยินดีต้อนรับเลยว่เาเป็นบุคคลต้องห้ามไปแล้ว <c oughs> อะไรนะนนคือคือถ้าไอสัญลักษณ์เนี่ยมันก็คงถ้าถ้าเปลี่ยนเครื่องย่างตัวอะไรก็คงไม่รู้หรอก เข้าใจไหมเพราะว่าหน้าตาอะไรมันก็คงคือกันใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีเอาถ้าเปลือกนอกเนี่ยคือเป็นคนที่ไม่ได้มีชั้นวร น, นาเนี่ยก็เป็นแบบคนจนหรือเป็นคนฐานะไม่ดีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้เกียรติในสังคมเลยอะ่ะจะไปทําให้หนู่นทําให้นี่เขาก็ไม่ต้อนรับทั้งนั้นเพราะงั้นก็ต้องต้องเป็นกลุ่มคนพวกหนึ่งเท่านั้นเองเป็นชนกลุ่มน้อย ที่ที่จะต้องแบบว่าอยู่กับพวกของตัวเองนะดงกีกันนะเป็นทํานองนั้นนะ่ะสมมุตินี่สมมุตินะสมมุติอย่างอย่า ง, อ ย, างอย่างพวกอโศกเราอย่างเงี้ยนะสมมุติเขาดูเขาบอกว่าไอ้แต่งชุดอย่างนี้ออันนี้มันพวกอโศกนี่ว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีใช่ไหมเพราะว่าเป็นกลุ่มของเราเนี่ยการประพฤติการปฏิบัติการพูดจาการอะไรอ่างต่างเนี่ยมันก็เป็นสไตล์แบบอโศกไปเพราะฉะนั้นพวกจันทันพวกเนี้เขาก็ ทำนองเดียวกันที่เขาเองเขาก็ไม่รู้จะไปอยู่กับพวกไหนได้เพราะไม่มีใครต้อนรับอั้นเขาก็ต้องอยู่เนี่ยเป็นหมู่บ้านเป็นตําบลของเฉพาะพวกจันทานอยู่เท่านั้นเพราะว่าถึงจะไม่กีด ก, กันกันใช่ไหมมันก็อยู่เฉพาะพวกตนถ้าไปที่อื่นเนี่ยเขาก็ขับไล่เขาก็ไม่ให้อยู่อย่างนี้ก็ไปอยู่เขาไม่ได้เพราะในที่สุดพวกนี้เลยต้องมาเกาะกลุ่มอยู่รวมกันเป็นพวกถึงจะพอมีความสุขได้ เราก็ทํามาหาเลี้ยงชีพแต่ว่าไปค้าขายอะไรกับใครเขาเขาก็าไม่ทาด้วยอะจะทํำยังไงอ่เพราะฉะนั้นก็ไม่มีฐานะดีได้เลยแล้วก็อยู่กันแบบสภาพที่ว่ามีแล้วก็กินกันไปตามที่ตัวเองจะทําได้เท่านั้นเองนายกเว้นมาปกปิดปกปิดฐานะตัวเองแล้วก็ไปแอบแฝงอยู่กับเขาเท่านั้นเองเนี่ยเหมือนกับสองคนนี้กําลังวางแผนนะว่าเอ๊ะต้องปกปิดใช่กําเนิดนะนี่จะหลอกว่าเป็นอะไรเลย จะหลอกว่าเป็นพวกพราหมณ์ใช่ไหมจะหลอกอย่างนั้นเพราะจริงๆเนี่ยคิดดูสิมันไม่ได้มีความแตกต่างก็คนวรรณพราหมณ์นะสมมุตินะคนวรรณพราหมณ์ไปแต่งงานกับคนวรนณกษัตริย์อย่างเงี้ยหรือว่าเอาคนวรนณพราหมณ์ไปแต่งงานกับคนสูตรอย่างเงี้ยนะหรือว่าแพทย์อย่างเงี้ยมันแค่ต่างวรรณะาแต่มันคนภายในประเทศเดียวกันภายในภูมิลําเนาเดียวกัน ออกลูกออกหลานมามันหน้าตาจะไปผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวอะไรที่ไหนแล้วก็นั่นน่าาะนนนสิเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้เรื่องรูปร่างหน้าตานี่มันมันเหมือนกันอยู่แล้วแหละไม่ได้แตกต่างอะไรมันจะต่างกันแค่เอาละจริงก็เรื่องเสื้อผ้าเรื่องแต่งตัวหรือว่าเรื่องการพูดจาอย่างที่อาจามาบอกว่าว่ายกยกพวกเราเป็นตัวอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราเป็นจันทานนะ <c oughs> แต่ยกพวกเราเป็นตัวอย่าง แต่ในศาสนาพุทธนี่ยังไงถ้าเป็นผู้เจ้ากำเนิดแล้วผู้เจ้าล้างทิ้งหมดเลยล้างทิ้งยังไงพผู้เจ้าล้างทิ้งยังไงไม่แบ่งชั้นบรรณะเลยนะอัตมาจะเอาเนี่ยคำตัดของผู้เจ้าท่านมามามาตรัดให้ฟังนะเนี่ยผู้เจ้าท่านตัดไว้อย่างนี้แม่น้ําใหญ่หลายสายเมื่อไหลถึงมหาสมุทรแล้ว ย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสียถึงซึ่งความนับว่าเป็นมหาสมุทรทีเดียวคือว่าไม่ว่าแม่น้ำจะกี่สายก็ตามเอาเช่นเช่นแม่น้าอาจิรบดีแม่น้ำคงคาแม่น้ำยมูนานะพอไหลมาถึงมหาสมุทรแล้วบอกว่าไม่ไม่มีชื่อแล้วข อ, อนี้พอมาอยู่ในมหาสมุทรแล้วเรียกว่ามหาสมุทรอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น <c oughs> ก็เหมือนกันกันกบวันณะนะพุทธเจ้าท่านตัดนะเนี่ยพอเป็นแม่นม้ำแต่เป็นมหาสมุทรทีเดียวก็เหมือนกันกันกบวันณนะทั้งสเหล่านี้คือกษัตริย์กษัตริย์ก็คือพวกนักปกครองพราหมณ์ก็คือพวกนักบวชแพทย์ก็คือพวกพ่อค้าสูตรก็คือพวกกรรมกรนะท่านก็บอกเนี่ยกษัตริย์พราม์แพทย์สูตรออกจากเรือน มาบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละชื่อและตระกูลเดิมเสียถึงซึ่งความนับว่าเป็นสมณะเชื้อสายสากยะบุตรทีเดียวนี่เป็นความอัศจรรย์ที่ภิกษุพากันชื่นชมในธรรมวินัยนี้เพราะจริงๆเนี่ยผู้เจ้านี่ท่านไม่เอาแล้ววันะต่างๆแม้แต่อะไรคาว่า วันนั้นนี่คือการการแบ่งชนชั้นใช่ไหมฮวันจริงๆและในศาสนาพูธเนี่ยพุทธเจ้าท่านยืนยันเลยถ้าไม่มีหรอกไอ้เรื่องตำแหน่งนะว่าคนนั้นยศอย่างนี้คนนี้ยศอย่างนั้นยิ่งเป็นพระเนี่ยยิ่งไม่มีเ <c oughs> ข้าใจไหมถ้ายิ่งเป็นพระเนี่ยไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ไม่เอาอยู่แล้วอ่นะนายศอย่างนั้นตำแหน่งอย่างนี้นะแล้วก็มาคนนั้นใหญ่กว่าคนนี้อะไรเงี้ยไอ้นั่นมันเป็นระบบอย่างของโลกโลกเขาต่างหากละ่ะ ไม่ใช่ระบบของที่พระเจ้าท่านท่านอุตษาหตั้งศาสนาพุทธขึ้นมาเนี่ยหลักฐานอะไรอ่างต่างเนี่ยท่านมียืนยันไว้ทั้งนั้นแหละว่าโอ้ยเราไม่มาแบ่งแล้วนะไอ้พวกเรื่องของชนชั้นเรื่องของวันนะเพราะฉะนั้นพอมารวมกันแล้วนี่ท่านถือว่าเสมอกระหมดใครเป็นสูตรมาหรือว่าเนี่ยใครเป็นกรรมกรมาอ่าใครจะเป็นพ่อค้ามาใครจะเป็นกษัตริย์มาใครจะเป็นนักบวชเก่ามาหรือว่าพวกพราหมณ์อะไรมาก็แล้วแต่ นะเป็นเจ้าลัทธิไหนมาก็ช่างเถอะถ้ามาบวชในศาสนาพูธแล้วเหมือนกันหมดมีศักดิ์ศรีเท่ากันหมดถ้าถ้าถ้ามีศักดิ์ศรีนะก็ถือว่าเท่ากันหมดเพราะผู้เจ้านี่ท่านจะใช้ระบบปกครองที่เรียกว่าก็มีอะไรอะ่ะมีการปกครองกันเองในหมู่สงฆ์โดยที่ไม่ได้มีลาภยศไม่ได้มีตําแหน่งอะไรนะก็ดูแลกันไประบบว่าใครบวชก่อนก็เป็นพันเตนะเป็นพี่ ใครบวชที่หลังก็เป็นอาวุโสก็เป็นรุ่นน้องก็แค่นั้นแหละแล้วก็ดูแลปกครองกันไปนะมีก็มีเป็นอาจารย์อาจารย์นะเพราะว่าอา่านบวชมานานนะมีความรู้มากกว่าก็เป็นอาจารย์ใครมาบวชที่หลังก็อาจจะเป็นลูกศิษย์อย่างนี้มีนะเพราะฉะนั้นก็มีเนี่ยมีอุปชามีผู้บวชให้นะมอีอะไรสัตว์ทีวิหารเล็ก อะไรนะอ่าก็มีอาจารย์ที่ดูดแลลูกศิษย์นะอย่างสัตว์ที่วิหาริกอะไรพวกเนี้ยหรือมีอันเตวาสิกอ่มีอุปชาอุปชาเนี่คือผู้บวชนะเนี่ยทุกวันเนี้ยที่เราตั้งตั้งที่ที่ที่เราเรียกอะไรล่ะผู้ผาฟ้าน้ำอ่าสังฆสถาน เราตั้งมีอาจารแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยพุทธเจา้าท่านก็กหลักการอะไรต่างพุทธเจา้าท่านมีหมดแล้วแหละตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าคนเราเนี่ยจะพยายามทําตามนั้นไหมแต่ถ้าคนเราเนี่ยบางทีคือไม่ใจกว้างพอแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในในภูมิปัญญาแล้วก็ในการาวางรากฐานที่พุทธเจา้าท่านวางมาดีแล้วเนี่ยเราไม่พยายามทําอย่างนั้น วันพอตัวเองเนี่ยก็ไม่มีอะไระไม่มีบารมีไม่ได้สะสมะความประพฤติที่มีคุณธรรมหรือว่ามีอะไรมากพอจนกระทั่งรุ่นน้องหรือผู้ที่บวชทีหลังเนี่ยศรัทธาได้มากพอคราวนี้พอพอดูแลไม่ได้นะหรือว่าเตือนอะไรไม่ได้ก็จะมาใช้ระบบเหมือนกับทางโลกโลกนะคือออกคําสั่งคือบังคับ คืออะไรโดยเอาตำแหน่งเอาอะไรต่างเนี่ยเข้ามาทาั้งที่ความจริงนี่ผู้เจ้าท่านไม่ไม่ดิยอมเลยนะสิ่งเหล่านี้ถึงไหนเนี่ยอ๋อสองคนนั้นก็เลยตกลงกันนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องเรื่องชาติกําเนิดใช่ไหมเรื่องของจันทารก็เลยตกลงว่าเอาละเราจะปลอมแหละปลอมปลอมชาติปลอมเชื่อชาติปลอมสัญชาติเป็นพราม์ นี้พอตกลงกันแล้วก็เลยเดินทางไปที่ตากะเมืองตา ก, กาศิลาแนละเริ่มเรียนศิลปาศาสตร์ในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกที่มีชื่อเสียงในพี่น้องทั้งสองคนนั้นกิตตบัณดิตเล่าเรียนศิลปาศาสตร์สำเร็จก่อนแต่สัมภูตากุมานยังเรียนไม่สาเร็จคือในนี้เขาเรียกว่าพี่น้องพี่น้องนี่แต่จริงๆแล้วนี่ต่างอนันนะ ต่างมารดาน ะ, ะต่างพ่อแม่น ะ, ะจริงๆแล้วเป็นญาติกันแต่ในนี้ก็คล้ายๆกับว่าก็พูดไปเลยว่าเป็นพี่น้องไปเลยเป็นลูกพี่ลูกน้อง อ, อยู่มาวันหนึ่งพวกพราหมณ์ชาวบ้านผู้หนึ่งมาเชิญอาจารย์ที่สาปามโมกว่าคืนนี้ขอท่านอาจารย์ช่วยไปกระทําการสวดมนต์ในพิธีมงคลให้ด้วยเถิดคือพูดง่ายๆว่ามานิมนต์นนะ ในคืนวันนั้นเองฝนตกเ อ, อ่ร้นหนทางอาจารย์จึงเรียกกิตตบดิตมาแต่เช้าตรูส่ส่งไปแทนตนโดยสั่งว่าพ่อมหาจำเริญเราไม่สามารถจะไปเองได้เธอจงไปสวดมงคลกระถาพร้อมด้วยมานพทั้งหลายให้บริโภคอาหารส่วนที่พวกเธอได้รับแล้วนำอาหารส่วนที่เราเราจะได้ มาให้ด้วยเถิดพอดีเนี่ยอาจารย์นะไม่สะดวกที่จะไปก็เลยจะให้จิตตะบันดิตนี่ไปเพราะว่าจิตตะบันดิตนี่เรียนเรียนสำเร็จแล้วนะก็เลยให้ไปให้ให้เป็นผู้นําไป <c oughs> จิตตะบันดิตรับคำอาจารย์แล้วพามานบทั้งหลายไปคือในที่นี้เนี่ยสมัมภูตะก็ไปด้วยนะ เพียงแต่ว่าไม่ใช่ผู้นำเพราะยังเรียนไม่จบผู้นำสวดนี่ก็คือจิตตะบัณฑิตนนี้พอไปถึงหน้าบ้านของพรามคนทั้งหลายพรามทั้งหลายเนี่ยก็คดข้าวปายาตตั้งไว้ข้าวปลายาตก็คือก็คือข้าวมันุปายาตนันเองนะแต่เขาเรียกสั้นๆเขาก็เรียกว่าข้าวปลายาตตั้งไว้หมายว่ากวามานบทั้งหลายจะทําพิธีเสร็จ ข้าวก็จะเย็นพอดีแต่ข้าวปายาตยังไม่ทันเย็นมานพทั้งหลายพากันสวดเสร็จก็มานั่งในเรือนแล้วเจ้าภาพจึงให้จึงให้น้ำทักซิโนโทกยกสำรับมาตั้งไว้ข้างหน้าของมานพเหล่านั้นคือของพราม์เขาเนี่ยเนี่ยเขาจะมีหลังน้ำทักซิโนโทกเนี่ยหรือ ภาษาเราเรียกว่ากวดน้ำนั่นเองภาษาเราคือเรียกว่ากวดน้ําซึ่งกวดน้ำเนี่ยแหละคือพิธีกรรมของพราหมณ์เขาเพราะฉะนั้นการที่บางทีเนี่ยพราหมณ์เขาจะให้ของอะไรใครหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยเขาจะเทน้ำเนี่ยให้หรือว่าก็คือกวดน้ำเนี่ยก่อนนะซึ่งแสดงว่าเป็นการให้นะอันนี้มันเป็นพิธีกรรมของพราหมณ์แล้วพวกเราก็เอามาใช้ทุกวันนี้จนกระทั่ง กลายเป็นเรียกว่าเข้าใจผิดไปเลยว่าเป็นของพุทธศาสนาซึ่งมันไม่ใช่จริงๆแล้วเป็นของพรามณ์ของพระพุทธเจ้ า, จ, าจริงๆนี่ท่านไม่มีหรอกนะที่จะต้องมากวดน้ําอะไรท่านกลับบอกว่าน้ำเนี่ยมันจะไปสําคัญอะไระคนเราจะได้บุญหรือว่าจะได้บาปเนี่ยมันอยู่ที่การกระทําไม่ใช่อยู่ที่น้ำนะเพราะว่าจะส่งผลอะไรให้ใครจริงเนี่ยมันอยู่ที่กรรมอยู่ที่การกระทําอยู่ที่พฤติกรรม นะมนไม่ใช่อยู่ที่ว่าน้ํานี่จะทําให้คนดีก็ได้ทําให้คนเลวก็ได้ทําให้คนได้บุญก็ได้ทำให้คนได้บาปก็ได้มันไม่จริงนะเพราะท่านผู้เจ้านี่ท่านไม่เอาเลยนะแต่ว่านี่มันก็เป็นเชือ่อมาคือสมัยอา่าอย่างเช่นช่วงอดีตชาติที่เป็นชาติของพระเวสสันดร อ, นะ อ, อย่างเงี้ยนะอ่าย่งนั้นยังเป็นพราหมอยู่นะก็มีนะตอนที่ยกยกช้าง ปัจญานาคให้กับให้กับพราหมณ์นะนะนนก็หลังทักซิโนโทกเนี่ยคือคือกวดน้ำเนี่ยให้พอยกแบ่งช้างส่งให้ไม่ไหวนะก็เลยก็เลยใช้วิธีเนี่ยเ ท, ทน้ําแทนถือว่าให้เป็นตัวแทนเนี่ยว่าให้แต่ในที่นี้เนี่ยจริงๆเนี่ยพวกสำลักรั บ, บข้าวพวกอาหารอะไรต่างๆนี้ก็ ก็ยกได้แต่ท่นนี้เขาก็เนี่ยเป็นพิธีเขาเขาก็กวดน้ําให้ก่อนแต่ของเขาจริงๆเขาจะกวดก่อนเห็นไหมเขาไม่ใช่ทีหลังแต่ของพวกเราส่วนใหญ่ทีหลังใช่ไหมเพราะว่าเพี้ยนไปอีกเลยเพี้ยนไปกลายเป็นไปให้ผู้ตายไปนูน่นนะตามของพราหม์เขาแต่ น, นี่นี่เขาให้ก่อนอันนี้พอยกสํำรับมาให้พวกพวกพราหมณนบทั้งหลายนี้เสร็จใช่ไหม สัมภูตามานพเป็นคนมีนิสัยละโมบในการกินอาหารจึงรีบตักก้อนข้าวปลายาดใส่ปากด้วยคิดว่าเย็นดีแล้วดังนั้นก้อนข้าวปลายาดปายาดปลายปายาสาจะไปเป็นปลาย่างแล้วมนละ <c oughs> <อ>ก้อนข้าวปลายาดซึ่งยังร้อนระอุอยู่เหมือนเหล็กแดง ก็ลวกปากของเขาเขาสะบัดหน้าสั่นไปทั้งร่างตั้งสติไม่อยู่จ้องมองดูหน้าจิตบันดิตแล้วเผลอกล่าวเป็นภาษาจันทารไปอย่างนี้ว่าขลุขลุ